ต่อตอไปนี่ผมอาจจะคิดแนวนึงถ้าหากว่าปฏิบัติไปมันได้ผลน้อยผมิดว่าคิดว่า <c oughs> ไปบินทบาทมาแล้วเอาเขาออกจากบาทให้ไปสันผู้เดียวแต่ให้ไปสันบวาให้ไปสันเอาไปเยนเหลือหุงแต ก, ก็บว่าเอาเด้ครับ <c oughs> ให้ไปสันพอดีน <c oughs> มเนมบวชจ้องเก็บเข้าไปในกุฏิครับสันเด้วเก็บเรียบร้อยสถานทีกระดาษขาวกระดาษทงพลาสติกเก็บให้มด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 ของเป็นโยมเนี่ยนูกก่งกางเกงนี่ควรมเป็นผ้าแบบนี้แหละให้เหาสแสวงฮะให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นภายในจิตใจของเหาอันเป็นผ้าในรูปแบบนี้ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีบุตรสมันบุดีครับแต่มันดีโบขนาดตัวอย่างที่ผมว่านี้ครับถ้าหากเหาจํานวนอยู่นี่เก้าองค์สิบองค์นี่ซุ่ยกันทําดีนี่ผมว่าเรื่องผมว่าเนี่ย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 มันนี่ตัวเขาเห็นความคิดนั้นปนเอื้นสติกับความรู้สึกตัวหรืนะตะกอนมันจมหลงน้ำมันสะอาดบัด น, นี้เมื่อน้ำสะอาดแล้วปวดเอื้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติคันนี่ปกติน้ามันขุ่นเขาก็เห็นเสนอบริษัทน้ำขุ่ น, นอันนี้เป็นภาษาเวาครับอันนี้